Book 87อสตูนเดสเซอดีตการของกริยาช่วยโมดัลวอดาร์บีบสวัสดุพกาตเนวิมสเราต้องรดน้ำดอกไม้ ม u m s ส i เบียยาเ p ลพูชเชเราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์มุ้งส์เบียยาอุสกูบีซีวอ s เราต้องล้างจานมุเบสตรคคุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่าวยุ้สเบียยาัซเร คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่าไวยุมสเบีย亚马กเซ่ปารีเยสบิยาเ ē m คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่าไวยุม s เบีย j ā m เ k s ā s o d ดน a u า a ใครต้องการลาจากกันคัมเบียยัตวดาสใครต้องการกลับบ้านก่อน k a m b i e a g r i j e i e t my h o s e ใครต้องนั่ง t ถไฟ c o m b i e a b r a u c a r v i l c i e n u เราไม่อยากอยู่นาน m ē s ne gruyere m il g i p a l i k t เราไม่อยากดื่มอะไร m ē s ē ne gruyere a m ne k o d z e r t เราไม่อยากรบกวนคุณเมสในกริเบ j ์ยามตรวจสอตอนนั้นดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์เอสติคัวกริเบย์ยุเปียส์วดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่อรเอสกริกเบย์ยุปัสู t ิตตักโซเมตที่จริง ดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน Es g r i b เบยุเบรุกต์มายดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณ Es d ด māju Tu g r i b ē j เ piezvanīt savai sievai ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูล Es d ด māju Tu g r i เบียปิแอสวาเนตอุซิญอมดิฉันคิดว่าคุณอยากสั่งพิซซาส d ูมาอยู่ตูกรีเบียป t สซูติพิ